พูดถึงเรื่องความเพียร น, นะพูดถึงเรื่องกิเลสนะที่มาอยู่กับหมู่เพื่อ น, นมันเป็นเรื่องฟื้นฝืนเหมือนกั น, นเป็นลักษณะฝื้นฝืนอยู่ไปเราก็ทราบว่านิสัยคนไม่เหมือนกัน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 ความเคลื่อนข้าศัตรูนั่นก็จะไม่ค่อยมีเี่ที่เคยดุด่าว่ากล่าวพ่าเอมอยเสมอเป็นข้อเห็นนี่เองพอตามองไปเห็นมันมีสิ่งที่ขวางตาแล้วว่าสิ่งที่ขวางนั้นคือความบกพร่องของผู้นั้นคําพูดแสดงออกมาเป็นความรบอบครอบหรือไม่รบอบครอบมันก็มาสะดุด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 มรนนนี้มันไม่ผิดกันอะไรมันเหมือนๆกันสติปัญญาเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติไปที่ไหนสติปัญญาอยู่กับตัวยอมแคบๆปลดอดภัยภานในจิตใจก็ดีหรือทาหน้าที่การงานอะไรก็ไม่ค่อยผิดพลาด เรื่องสติปัญญาจริงเป็นเรื่องสําคัญอยู่มากในวงปฏิบัติเพราะสิ่งภายนอกที่แสดงออกก็ส่อมาจากภายในกิเลสที่มีอยู่ภายในจะแก้ได้ด้วยวิธีใดถ้าไม่แก้ได้ด้วยความรอบครอบที่แสดงออกนี้ถ้าความรอบครอบแสดงออกภายนอกมีน้อยภายในที่จะแก้กิเลสคือสติปัญญาที่จะนำไปแก้กิเลสภายในก็ต้องแสดงออกขนาดเดียวกัน ความรอบครอบขางนอกมีมากที่จะนำไปแก้ภายในก็ต้องมีมากแล้วมีทางที่จะแก้ไขไปได้โดยลำดับนี่มันสอด ถ, ถึงกันอยู่เสมอการแสดงแสดงออกมาภายนอกเป็นตเรื่องประกาศความโง่ความฉลาดของตัวเองยิงเล็กเตือนเสมอพระเนรดุดด่าว่ากล่าวไปเรื่อย แม้แต่เวลาแจกอาหารสําคัญที่มาชุมมกันนี่ตอนนี้ได้ดุแล้วเวลาจะดุแล้วไม่ได้ว่าใครจะอยู่ที่นั่นหรือไม่อยู่ไม่สําคัญเพราะเรามุ่งที่จะสอนผู้ที่มาเกี่ยวข้องกับเราเราต้องพูดไม่พูดผูนี้ไม่เข้าใจคนอื่นที่ไม่ไม่เคยรู้เรื่องวลาวก็อาจจะคิดเป็นแง่ต่างๆแต่เราไม่สนใจในความคิดเหล่านั้นของคน เราสนใจในประโยชน์ที่จะปึงได้เพราะการแสดงออกของเราและผู้ฟังจะเลยขติในขนาดนั้นเท่านั้นถ้าจึงเน้นยงไปเสมอ ว, ว่าสติปัญญาสติปัญญาอยู่นั้นแม้แต่มรรคแปดก 8, ็ยังมีสมาธิขึ้นต้นความรับผดอบ ถ้าคนก็ต้องเป็นหัวหน้า ง, งานคนฉลาดต้องเป็นหัวหน้า ง, งานเมื่อหน้า ง, งานใดฉลาดงานนั้นๆลูกน้องก็ดีงานก็ได้ผลดีถ้างโง่ก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรมิถอยท่านยังทำให้งานนั้นตลท่าไปด้วยแค่ทำใหู้นอื่นเสียไปด้วยไม่น้อยเกี่ยวกับการปกครองของตนมีกว้างแคบขนาดไหนเป็นสาคัญ ที่อยูนในวงวัดหน่ะก็พอทราบได้วันใ ด, ดถ้าครูวาจักครูวาอาจารย์มีความเข้งมงวดขวดขันกับพระเนนดูพระเนนวันนั้นก็ น, าน่าดูวันไหนอาจารย์ใจดีไม่ค่อยจะอะไรกับพระกำเนิดก็เป็นเพลินทันทันดูแล้วก็ไม่ น, าน่าดูหรืออาจจะขึ้นอยู่กับผู้หัวหน้าอะไรอีก ด, ด้วยใครก็พิจารณาไม่ออกเราไม่กล้าจะวินิจฉัย นึ่วัฒนอาจารย์มั่นอย่างนี้ใครเข้าไปก็เข้าไปจะเป็นระเบียบเดียวกันหมดเพราะท่านเคืองงดกดขันตาก็เป็นครูมองไปไหนมันก็เหมือนอย่างที่เขาเขีนยนนิ้วหมายมาน่ะเหมือนกระพร้ามาหัใจเป็นอย่างนั้นพราตาผู้มีความเฉียวฉลาดแหลมคมมีความหมายไปด้วย พิธีญาที่แสดงออกทุกแง่ทุกมุมมีความหมายไปหมดถ้าออกมาจากใจแห่งความหมายใจเป็นธรรมชาติที่มีความหมายอย่างยิ่งยิ่งใจเป็นทำทั้งดวงด้วยแล้วการแสดงออกจะต้องมีความหมายไปทั้งนั้นเรื่องที่เป็นโมฆะแสดงออกเฉยๆนี้รู้สึกจะไม่มีพูดออกมาแต่ละคำและประโยคเป็นคติ จะพูดทีเล่นที่จริงรมีธรรมะสอดแทรกมาด้วยทั้งนั้นถ้าผู้สนใจจะฟังอัดฟังธรรมจากท่านจะได้ฟังอีกทุกระยะที่เคลื่อนไหวของท่านนอกจากแบบที่ว่าแพ้ก็ไปอยู่ก็อยู่ไปอย่างนั้นแล้วก็สนใจในเหตุในผลในแง่ต่างๆที่ท่านาแสดงออกก็เลยถือเป็นธรรมดาบางทีท่านพูดทีเล่นทีจริงก็เลยทําให้สนุกสนานเลืนเ่นไหลไปเทีย่ยว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 กิเลสตัวพาให้นา่ากลัวมันจะได้หมอบเสใช่ไหกลัวเป็นไหนคนในโลกนี้ป่าช้าเต็มตัวน่ะอย่างที่ท่านมาก็อยู่สถานที่ใด ท, ที่จะไม่ตายถึงเวลาแล้วมันตายกันด้วยกันทั้งนั้นแต่ทําให้เคยปรากฏนี่ที่มันตายล่มจมไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์โทษความโง่พาให้ตายนัะ่ะตายด้วยความฉลาดตายด้วยวัตถุธรรม พระพุทธเจ้าท่านชมเชยชมเชยสรรเสริญมากจึงสอนพระลูกมูลเสนาสนางไปหาอยู่ในต้นมช้ชายเขาที่ไหนที่เป็นที่บําเพ็ญได้รัความสะดวกสบายให้ไปสู่สถานที่นั้นนั่นงฟังเลยนะพระพุทธเจ้าไม่สอนคนให้ตสอนพระไปให้ตายเล่นะสอนพระไปให้ฆ่ากิเลสให้ตายในสถานที่เหมาะสมเช่นนั้นพระพุทธเจ้าก็เคยทรงบําเพ็ญมาแล้วอย่างนั้นจึงแนะนําเหตุผลที่เคย พูด ป, ปฏิบัติมาแล้วได้ผลมาแล้วมาสั่งสอนบรดาสาวบุกทั้งหลายทําไมเราจะกลัวจะตายแล้วหนีพ้นไหมละความตายนาเวลาท่านเด็ดท่านเด็ดจริงจริงไปที่สถานที่ไหนที่กลัวมากมากนั่นแหละเป็นที่กิเล ด, ดจะได้หมอบถ้าเป็นนักต่อสู้ถ้าคนขี้ขลาดกลัวแล้วไปที่ไหนก็จะประชันเทาเทาไม่ได้เรื่องอะไรเลยเแม้จะอยู่กับหมูกับพระนะก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรคนประเภทนั้น เขาในปา่าเขาเป็นแบบนั้นอยู่ในกะหมูเก็คณะก็เป็นแบบนี้ก็เป็นแบบเกา่านั่นแหละแบบไม่เป็นท่านานฟังเวลาท่านพูดน้าฟังแล้วผู้ที่มุ่งต่ออการอยู่แล้วใจมันต้องสั่นเล็กๆทีเดียวพอได้ยินท่านตุก ป, ประสาทปุกจิตปุกใจมันเหมือนจะห่อเหินเดินฟ้าทั้งทั้งที่ไม่มีปีกคือจิตมันห้าวหานนั้นเด็ดเดี่ยวพรในจิต แล้วไปก็นั่นแหละอันนั้นแหะเป็นคติไปด้วยยิ่งไปสู่สถานที่น่ากลัวดังที่ท่านว่าแล้วอันนี้ขึ้นนแหล ะ, ะท่านอาจารย์มั่นท่านมาสอนเรามาให้เพื่อความตายนะท่านสอนมาเพื่อทำท่านสอนมาวิธีใดจะเป็นจะตายให้มุ่งต่อต อ, อัตตธรรมเอาเธอความตายนี้มอบไว้ในคติธรรมนาทําจะเกิดด้วยวิธีใดให้เข้มแข็งอห้พินี้พิจารณาปูดค้นขึ้นมาให้รู้เห็นภายในจิตใจ กินมันก็ห้าวหาันเสือก็หุ่มก็ะหุ่มเนี่ยก็เอาเสือก็เสือเสือก็ตายเหมือนเราแล้วก็ตายเหมือนเสือเสือกินเราแล้วเสือเราเสือก็จะตายนี่เราตายในวันนี้เสือตายในวันหน้านี่มันอาจหารนะความอาจหันในวันเลยไม่กลัวมันทั้งที่เสือก็เป็นสัตว์เป็นอันตรายแต่มันไม่ได้ถือเป็นอันตรายในขณะนั้นเพราะทำข้อนี้เหล่านี้แหละ เป็นเครื่องปลูกจิตปลูกใจให้เกิดความฆ้าหานเดินจงกรมได้อย่างสะดวกสบายแต่จิตไม่ได้ส่งนะต้องจิตเป็นธรรมทั้งนั้นเราเคยพิจารณาในธรรมแ่นใดก็พิจารณาธรรมเนี่ยนั้ น, นถ้าจิตอยู่ในวงสมาธิกําหนดให้เข้าสู่สมาธิสมาธิที่เดินไปได้มาได้ธรรมดามนี้คือให้เป็นความสงบอยู่ภายในจิตใจไม่ส่งไปข้างนอกหาสัต์ธาเสือที่ไหนแล้วจิตก็แน่นเหมือนหินทีเดียว มันเข้ามาฐานให้มันแล้ว ท, ทั้งๆที่คิดถ้าอ่านหน้าอยู่ก็ต่างมันก็ไม่กลัวเดินโยกมได้อย่างสบายไปที่ไหนไปได้หมดเมื่อสละความตายเถียเท่านั้นในขณะเช่นนั้นเหมือนกับว่าเป็นภ้าที้งิ้วฝืนหนึ่งไม่มีคุณค่ามีราคาในะส่วนร่างกายนี้เลยอะไรจะเอ า, าไปก็เอาไปเถอะแต่เรื่องธรรมถือเป็นคุณค่าอย่างยิ่งเนื้อจิตใจจิตมีความมุ่งมั่นต่อสิ่ง น, นั้นเท่านั้น อย่ไหนก็อยู่ได้นั่งอยู่ไหนก็สาบายไปหมดเสือก็หืมก็ห่มก็ไม่สนใจไม่กลัวเสือก็ฉันโลกอันเดียวกันเกิดจากเกิดตายด้ยวยกันหมดทั้งสิ้นเนี่มันลงนี้หมดเสียหนึ่งจิตมันยิ่งตั้งท่าตั้งทางอาดหานเรื่องเลิงในอัดในธรมสติสตังอยู่กับตัวเย็นอบอุ่นก็ถูกเย็นก็ถูก เหมือนคูมือนอาจารย์หรือเหมือนพระพุทธเจ้าประทับอยู่บนหัวใจไปที่ไหนก็อบอุ่นหมดนี่คือทำอยู่ภายในใจเป็นเช่นนั้นนี่เคยเป็นมาแล้วที่ขาดก็อยู่ที่นี่คนคนนี้แหละแต่เวลามันอาหันก่อนได้เห็นประจักษ์ภายในตัวเองเพราะความฝึกความพรมานเองยิ่งอาหารได้ไม่ใช่มันอาหันที่มาเฉยๆอาหารด้วยการฝึกผลพรมาน ด้วยวิธีที่ถูกต้องเหมาะสมกันความกลัวทั้งหลายก็สลายตัวลงไปฝามกรหารเกิดขึ้นมาแทนที่เดินอยู่เท่าไหร่ก็ได้ไม่เคยสนใจกับเรื่องความเป็นทําตายมาสัตว์ลายตัวนั้นตัวนี้ไม่ไปสนใจเลยหมุนอยู่กับทำความสง่าผ่าเผยภายในจิตใจองค์อาจกระหายอยู่ภายในนี้เดินไปได้กี่ชั่วงไม่สนใจกับอะไรทั้งนั้นเนี่ยเวลามานั่ง เอาให้สงบกันแนวลงไปเลยเวลาออกพิจารณาทางด้านปัญญาก็าหมุนติวติวติวตนี่เป็นขั้นของสมาธิกับปัญญาที่เกี่ยวโยงกันแต่พอถึงขั้นปัญญาล้นล้วนแล้วไปที่ไหนก็มีแต่ปัญญาไอ้เรื่องสัตว์เรื่องเสือไม่มีแห่ะมันหมดความหมายไปหมดแล้วแหละสนใจกับสัตว์ตัว น, นั้นเป็นพายสัตวต์ น, นี้เป็นพิษนอกจากสนใจกับกิเลสตัวแสดงอยู่ภายในยจิตนี้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 ่าการฝึกจิตฝึกอย่างนั้นเวลาเ ด, ดเด็ดเต็มที่เด็ดจนไม่หมายป่าชาคนทั้งโลกมีเราคนเดียวเท่านี้อไม่หวังพึ่งใครเป็นกับตายก็เราเป็นผู้รับผิดชอบเราเองเอาตายก็ตายไม่จําเป็นจะต้องมาหาอะไรมาเผาศพเผาเหม็นกันตัดตายอย่างในโลกไม่มีใครไปเผาศพมันะเราทําไมจะหาคนมาเผาศพล่ะมันเป็นอย่านั้นจิตนี่คือความปลูกตัวเอง แต่นั้นก็ตายนี่ตายไปแล้วเสีดายอะไรหวงมันอะไรมันตายมันใช้มาได้แล้วคุณตายแล้วเป็นหัวงมอะไรอีกหรืหัวงสิ่งที่ใช้ไม่ได้น่ะเวลาที่ใช้ได้นี่ใช้ที่เราจะให้เป็นประโยชน์อะไรใช้ลงไปเอาให้เต็มเมกเต็มหน่วยเอาให้เต็มอัดเต็มทำเต็มความสามารถให้รู้อย่างถึงใจอุบายวิธีปลุกตัวเองขิดก็ห้ามหาน อยูคนเดียวฮะกับรุ่นเดิงรุ่นเริงทารจิตกับธรรมนี่มันผิดกับรุ่นเริงกับสิ่งทั้งหลายอยู่มากรุ่นเริงกับสิ่งนั้นที่นี่เมื่อสิ่งนั้นที่นี่หายไปหายไปรือเพื่อนฟูงเพื่อนฟูงพลาดลา ด, ด, ดจากกันไปแล้วกระเศร้าี่เป็นทุกข์ขึ้นมาด้วยความเศรา้ารุ่นเริงในธรรมอยู่ที่ไหนก็รุ่นเริงอดอิ่มก็รุ่นเริงความทุกข์ความลําบาก เพราะการปุดทรมานมันก็รื่นเริงพเพราะรื่น ง, งอยู่ที่ใจใจไม่กเจ็บท้องปวดหัวเหมือนกับร่างกายนี่มันเจ็บมันปวดเพราะกิเลสเจ็ ด, ดจแทงต่างหากขอเรามีความเพียรปราบกิเลสตัวเจ็ดแทงอยู่โดยสม่ำเสมอกิเลสตัวไหนจะมาเจ็ดแทงจิตใจให้มีความทุกข์ความลำบากจะทําให้จิตเป็นไข้เหมือนร่างกายเป็นไขด้ด้ยกิเลสมันก็เป็นไปไมได้ที่พอเราปราบกิเลสถึงตลอดเวลา ท่านบำเพ็ญครูบาอาจารย์ผู้ติจะได้มาสั่งสอนอบรมพวกเราส่วนมากมีแต่สมบุกสมบันมาแทบล้มแทบตายจนชีวิตรอดมาแล้วทำทุนโถ่ขึ้นมาแล้วก็นามารวมสั่งสอนนับตั้งแต่พระพืทอเจ้าลงมาก็เป็นลักษณะอย่างนั้นมากกว่าอย่างอื่นพูธที่สาเร็จได้อย่างรวดเร็วก็ยกให้ท่านเพราะเป็นผู้เต็มภูมิเกือบเต็มภูมิมาแล้ว พอแยมออกก็รู้ก็รู้เห็นเรานิสัยวาสนองเราเป็นแบบนี้จะทำให้เป็นแบบท่านให้ได้ผลอย่างท่านมันเป็นไปไม่ได้เพราะนิสัยคนละนิสัยการนาเพนมาต่างกันยากก็ต้องทำแก่เราง่ายก็เอายากก็ทำรับหมดภา ร, ระที่มีในตัวของเราเราไม่รับไม่มีใครจะรับให้เราไม่แก้ไม่มีใครจะแก้ให้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 ตลอดมาอยู่ในบ้านในเรือนก็พึ่งกันเรื่อยๆพึ่งมาเรื่อยพันจิตมันมีแต่ความพึ่งผู้อื่นไม่คิดจะพึ่งตัวเองทีนี้มาปฏิบัติธรรมเบื้องตอน้นก็ต้องพึ่งครูพึ่งอาจารย์เพื่อให้อุบายแนะนําสั่งสอนาพอได้รับธรรมจากท่านแล้วเอาเอาธรรมเข้าไปแก้ไขตัดแต่งหรือฝึกฝนทรมานตนเองเพื่อความพึ่งตัวเองด้วยการประพฤติปฏิบัตินั้นๆนา น, น, นเวลานี้ให้ย่นเข้ามาตรงนี้ หวังพึ่งตัวเองอเสมอ จ, จิตใจเราจะมีความเข้มแข็งเราจะพึ่งคล้ายๆทั้งนั้นแหละตักเข้าถึงธรรมแล้วให้จิตตัดบวชไว้เสมอเสมอพึ่งเราโง่ก็เราจะทําะไรให้ฉลาดล่ะฉลาดท่านทําให้ได้ให้เกิดฉลาดได้ด้วยอุบายของการพิจารณาทําไมเราจะทําไม่ได้พยายามทําให้ได้หวังพึ่งเราให้ได้ความหวังเพึ่งตนนี่แหละ เป็นพลังสําคัญหนึ่งของจิตมันมาคิดสายแสบไปเองนไป น, ไปนุ้นเอ็นไปนี้เพราะให้เสียวเวลาเวลาแล้วเกิดความทุกข์มา เ, าเปล่าๆในเมื่อสิ่งที่ตนหวังไม่สมหวังเช่นหวังพึ่งใครก็ตามเมื่อไม่ได้พึ่งดังใจหวังแล้วเกิดความน้อย อ, อกน้อยใจไปเออสียอกเสียใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาหวังพึ่งเราหญิเฉพาะอย่างหญิงเกี่ยงความตายความเจ็บไข้ได้ป่วย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 หวังพึ่งตัวเองนี่แหละว่ะใจก็มีกําลังพิจารณาให้เหงเหตุถึงผลมันไม่มีมากอะไรละในส่วนร่างกายของเราเนี่ยทุกข์ก็แค่ตายเท่าทนั้นแนหะมันไม่ได้มากเลยจากนั้นไปทุกข์กเรื่องของทุกข์ต่างหาไม่ใช่เรื่องของเราเราจะไปวุ่นกับมันด้วยความรุ่งความหลงไปหาประโยชน์อะไรอืี่ยมาทุกข์มันจะแดงตัวขึ้นมาแม้แต่ทุกข์เองมันยังไม่ทราบความหมายของมันไม่ทราบตัวเองว่าเป็นทุกข์ พระทราบตัวเองว่าเป็นผู้ให้ทุกข์แก่ผู้ใดเราทํามาเป็นแบบไป็นหามว่าเราเป็นทุกข์ทั้งๆที่ทุกข์ก็เป็นทุกข์อยู่ตามหลัธรรมชาติของมันแต่เรารู้ตามความจริงมันเสียด้วยปัญญาของเราแล้วทุกข์มันก็เป็นทุกข์อยู่จริงๆนันไม่ได้มาเป็นเครื่องกดทุ่งใจิตใจเราอะไรเลยนอกจากเราไปแบกไปหามเพราด้วยความมุ่งหนงตัวเองเท่านั้นจึงจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาท่านสอนทำท่านสอนเพื่อให้รู้ความจริงของแต่แ ล, ะและอย่างอย่างนี้เอง มันไม่มากไม่น้อยมันมีเท่าขันนี่แหละไม่เลยจากนี่ไปทนได้ก็ทนไปขันนั่นแหละมันทนทนได้ก็ทนไปทนไม่ได้มันก็สลายตัวของมันไปเองจิตของเราจะไปแบกไปหามมันให้รับความทุกข์ความบากแบกบหามนัม้นยังด้วยอำนาจอุปทานก็เกิดความทุกข์มาภายจิตใจห่างกายแตกยังไงแล้วจิตใจนั้นหอบกองทุกข์ไว้ ด้วยหอบในปัจจุบันนี้แล้วยังหอบไปในพพหน้าอีกไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนอกจากทุกข์ล้นล้วนด้วยความหลงตนเองไปแบกไปหามเช่นเดียวกับไฟไฟก็เป็นของร้อนไฟเองยังไม่ทราบความหมายจนเม่ามันร้อนทําไมเราจะไปจับไฟให้เกิดความร้อนเกิดตนเองเราเนี่ยร้อนใครทราบมันร้อนอย่ไปจับมันทุกข์ก็ทราบว่าทุกข์อย่าไปยึดมัน้นรู้ตามเรื่องของทุกข์แง่เรื่องก็มีเท่านั้น ถ้าเราทราบแบบนี้แล้วใจก็ไม่เป็นทุกข์สบายถึงร่างกายมันจะเป็นไฟขึ้นมาทั้งกองก็ตามเรื่องน่าหนัความทุกข์ที่แสดงตัวขึ้นมาในขณะ น, นั้นตามเร่องของขันใจแล้วก็เย็นสบายเพราะความรู้เท่าทานกันแล้วไม่มีอะไรร้อนนอกจากใจถ้าใจรู้แล้วมันมีอะไรเย็นยิ่งกว่าใจนี่หลักอยู่ที่ใจที่ใจทั้งนั้นขอให้พิจารณาด้วยความราอบครอบเถิด จิตต้องเป็นแบงนั้นไม่เป็นอย่างอื่นถ้ายังมีบกพร่องที่ตรงไหนทุกจะแทรกเข้ามาตรงนั้นจนได้เพราะนั้นเราจึงต้องฟิดฟิดปัญญาของเราให้ทันสติให้ทันกับสิ่งเหล่านี้อย่าให้เข้ามาทําลายจิตใจได้ขันมันเป็นขันร้วนๆก็ทราบมันเป็นขันอยู่แล้วไม่ใช่เรารูปก็ทราบว่ารูปกายคือกองท่ากองขันอยู่แล้วเหตุนาเรื่อง ความสูขความทุกข์มันปรากฏขึ้นภาจิตใจนั่นก็เป็นขันอันหนึ่งอยู่แล้วนะจิตผู้รู้เรื่องขันก็เป็นอันหนึ่งอยู่แล้วปัญญานั่นแหละเป็นเครื่องต้านทานปักปันเขียดแดนด้วยความรู้ความเข้าใจในระหว่างขันกับจิตอย่าให้มาคล้คาเข้ากันเมื่อจิตกับขันไม่ได้เข้ากันแล้วถึงขันจะเป็นอะไรก็ทราบตามความริงขึ้มัน ทราบตามพองหญิงมันไปโดยลำหนับลําดับไม่แสดงความดีใจเสียใจแต่กับขันที่แสดงตัวตามเรื่องของมันแล้วก็สมายนะการพิจารณาขันก็เพื่อพิจารณาเพื่อจิตผู้ไปหลงนี่เองลําพังขันธรรมดาอยู่แล้วนั่นยยน่ะจะพิจารณาเขาทําไมเขาก็เป็นขันอยู่นั่นทุกเขาก็เป็นของเขาเวลาเกิดก็เป็นทุกของเขาดับก็เป็นตามเรื่องของเขาเนี่ยรูปกายนี่เหมือนกั น, นกเป็นธานรากของมันอยู่เช่นนี้ทําไมยังต้องพิจารณามัน การพิจารณาเรื่องธานุเร่องขันเหล่านี้ขอพิจารณาเพื่อใจเพราใจมีความพัวพันมีความเกี่ยวขอ้องเพราะความรุ่งหลงในขันนี้จึงต้องพิจารณาเพื่อแยกสิ่ง น, นั้นออกจากใจหรือเพื่อแยกใจออกจากสิ่ง น, นั้นให้ต่างอันต่างอยู่ต่างอันต่างกินต่างกินเม่ไปเกิดเรื่องเกิดราวต่อกันแล้วทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมา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 แต่ก็ไม่มีอะไรเป็นความหมายพอจะให้เกิดเขาตกสถานภายิอใจเรื่องขันมันแตกเฉยฉะนจึงว่าพระอรหันต์ท่านท่านมีความรู้สึกในธาตุในขันในขนะดที่เป็นอยู่กับขณะที่สลายไปนั้นแ่ะมันเท่ากันทันว่าฟังดิทำไมจึงเท่ากันอ๋อก็ท่านไม่ได้ได้ความดีความชั่วอะไรจากขันที่ยังทรงตัวอยู่นี้และไม่ได้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 เพียงขันเท่านี้ท่านจะมาหวังเอาอะไรนั่นมันก็เป็นสมมุติเช่นเดียวกันนะท่านทราบตลอดทั่วถึงอย่างนี้ท่านจึงไม่มีแง่ใดซึ่งเป็นความรู้สึกว่าจะหนักเบาต่างกันในความเป็นอยู่และความเฉลายไปน อ, นอกจากท่านจะแยกออกไปเพื่อโวกทัวสงสารและรับประโยชน์นั้นความรู้สึกในความเป็นอยู่นั้นจึงมีน้ำหนักมากกว่าความเฉลายไปที่ความตายไปของท่านหรือท่านมีชีวิตอยู่ในวันหนึ่งวันหนึ่งท่านก็พอจะทําประโยชน์ให้โลกได้เท่าที่ควร เมื่อผ่านไปเสียโลกที่ควรจะรับประโยชน์จากท่านก็เป็นอั น, นาจสิ้นสุดลงไปจึงเป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกในความเป็นอยู่ว่ามีน้ำหนักมากกว่าการสลายไปนี่ก็เพราะความรู้สึกเพื่อโลกต่างหาไม่ได้เพื่อท่านสำหรับเพื่อท่านแล้วไม่มีความหมายอันสิ่งเหล่า น, นี้เรื่องถาดเรื่องขันเรื่องความเป็นอยู่เรื่องความตายแต่ไม่มีความหมายอะไรทั้งนั้นสำหรับผิดที่พอตัวแล้วเอาอะไรจาก สิ่งแบบนี้ดยู่แล้วกันไปก็อยู่ไปอย่างนั้นแหละแล้วพิดชอบกันไปตามเรื่องตามราวผ้า<ป>หิ้วกับผ้ากินเสียเนี่ยหายกับผ้าดื่มน้าเสียม่วงเหงาห้อนอนก่อนพานอนเสียเปลี่ยนเยาเบิดก็เปลี่ยนไปเสียนี่พาราฮาเวปันกักขันธ์าแสดงชัดเจนให้ท่านเห็นมันมีมีอะไรที่มากอกบนในโลกนี้ โลก่กว้างแสนกว้างมีอะไรมาก่อขวัญไม่เห็นมีอะไรมาก่อขวันอกจากขันที่เจ้าของรับผิดชอบอยู่เวลานี้เท่านั้นเป็นสิ่งที่ก่อขวัมีตลอดเวลาเจ็บนั้นปวดนี้เดี๋ยวหิวเดี๋ยวก็หายเจ็บท้องปวดหวัวยุ่งกันไปอตลอดเวลาพระราหเมยปัญจขั้นฐานนั้นหนักด้วยการรับผิดชอบนี้เองไม่ใช่หนักด้วยอุปทานเหมือนแต่ก่อนที่มีกิเลสอยู่แต่มันก็หนักด้วยความรับผิดชอบ พราะฉะนั้นการเรียนรู้ขันอย่างพอตัวหรือรอบตัวแล้วจึงเป็นความสบายสิ่งภายนอกมันกลายแสนกลายมากอย่างไรก็เกี่ยวเรื่องให้ไ ม, ไม่เป็นความรับผิดชอบของเราเหมือนขันเมื่อสรุปแล้วก็มีแต่ขันเท่านั้นเป็นตัวการาเรารับผิดชอบภูมิี่เลสจิก็อ้าวกัีกิเลสเป็นตัวการ ยุ่ยแย่ก่อกวรให้วุ่นวายทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนนะว่าแต่เขาไมนรู้ยุ่ยแย่ก่อกวนเนี่ยตัวนี้ก็เป็นตัวของนิสิตหนึ่งคือตัวอาธรรมมันชอบจะทำลายธรรมที่มีภายนจิตใจของเราจะสร้างอาจสร้างธรรมขึ้นมาเพียงเล็กเล ก, เลกไม่น้อยเยมันพยายามมาทำลาย ม, มากีดมากันเรื่อยๆไปนี่ตัวสาคัญตัวบัตรกลัวกรรมตัวเทวทัต ทำอยู่ภายใน จ, ใจิตใจถ้าพยายามปราบตัวเทวทัศน์ภายตัวของเรานี่ยจะไปตำหนิเทวทัศนโน้นเทวทัศน์ภยตัวของเรานี่แหละมันมาทำภพแกเราเทวทศัศน์ที่มันเลยมาทำให้ใครเทวทศัศนที่อยู่ในเราเนี่แหละมันทำลายเราอยู่ตลอดขีดกันรุเยก่อกวรหลอกลวงกลิ่นป่อนในชาวกีเนี่ยกีมุมวันหนึ่งวันหนึ่งตลดทบทวนนับไม่ได้ ดืวยกลมายาของกิเลสตัวเทวทัศน์นี่ยงนั้นถึงต้องแก้ถึงมีกราบกันลงที่นี่ตัวข้าสึกมันอยู่ที่นี่สติปัญญาไม่พอให้ขุดค้นขึ้นมาพิณิพิจน า, าโดยเอาธาตุเอาขันเป็นหินรับสติปัญดาพิจานาให้ดีหินลับปัญญาที่เหมาะสมที่สุดก็คือธาตุขันของเราเนี่ยทุกปรากฏขึ้นมาก็ให้รู้ว่ามันทุกนี่ยมันทุกอย่างนี้เนี่ย สาเหตุที่มันจะเป็นทุกข์ของขังของทางขันนี่ก็เพราะความเกิดเนี่ยสาเหตุอันหนึ่งก็เพราะว่ามีโรคมีภัยเป็นสิ่งที่ชอนชายมันอยู่ภายในนัน้นรบกวนหรือดังแจมหรือมันก็แสดงตัวออกมาสาเหตุอันยิ่งใหญ่ก็คือเพราะความเกิดนั่นเองมันถึงได้ว่าเป็นอย่างนี้เมื่อเกิดแล้วก็ต้องชาปิดดู ข, ขาพยาพิจูการพย า, พยาพธิปิดดูขาเ ข, ขาเลื่อยไปมันนําไปดูขังนั่นก็ว่าไป ความเกดเป็นทุกข์ชลาพญาที่เป็นความทุกข์ความตายเป็นทุกข์นี่เรื่องทุกข์กระสับเป็นอยงนี้ทันเวลาเราย่นเข้ามาให้เห็นตัวโทษจริงๆคือตัวอะไรอนี่ยทำขั้นละเอียดเกิดก็เกิดมาแล้วทุกข์ก็ทุกข์มาแล้วมันผ่านมาแล้วเนี่ยแตชลาพญาที่มันก็เป็นตามเรื่องของถ่ายของขันใครไปหาเรื่องหาราวอ่ะ อันนั้นเป็นนั้นอันนี้เป็นนี้ตัวนี้ละตัวก่อคือก่อเหตุให้เกิดทุกข์นะั่นตัวสังคาญตัวสัญญาที่ออกมาจากกิเลสเป็นผู้บงการนี่แหละตัวก่อเหตุตัวก่อให้ทุกเกิดคือตัวนี้เองหมุนเข้ามาที่นี่เริ่มทันเริงขันก่อไกลแบบเราจะเห็นได้ว่าห่างไปแล้วแก้เข้ามาที่นี่นั่นถึงเห็นตัวสําคัญข้างมาันคือกิเลสภรรนากิตว่าภาพหลอกเรานั่นเราก็เชื่อวิ่งตามภาพของมันหลอกไปตัวจริงมันอยู่ข้างหลังเรานี่ <c oughs> มันถึงเอาก็ะจกขวางหน้ามองเห็นเงาตัวเองคือปัญญาย้อนกลับมาพิจารณาตัวนี้ให้เห็นเรื่องของกิเลสมันอยู่ที่ใจนะฮะ้าเกิดกับตัวนี้ผาแก่ผาเจ็บผ า, า, าตายให้เป็นภพเป็นฉากเป็นธาตเป็นขันก็คือตัวนี้เนี่ยพอตัวนี้ดับไปแล้วธาตุขันมันเป็นขึ้นเป็นนิบาส ค, คือผลน้ำมันก่อเป็นกากไปเทียมสมบัต ขันยิ่งใหญ่เราได้แล้วภาณจิตใจเหนือมหาสมบัติคือจิตทั้งเราจิตผ่องใสและบริสุทธิ์เป็นมหาสมบัติเป็นท่านๆขึ้นไปจนกระทั่งเป็นความรู้สุทธิยิ่งเรียกว่ามหาสมบัติเป็นผู้นี่ล่ะเป็นสาระสําคัญภายในตัวของเราไม่เท่านี้มีจิตดวงเดียวเท่านี้เรียนยากนะเรียนเรื่องจิตที่จะให้ทราบจิตอยู่ในธาตุในขันมันรู้ไปหมดทุกแห่งทุกผล สูงต่ำในบรรดาร่างกายของเราความรับทราบความรู้มีเต็มไปหมดมันรับทราบไปได้หมดเลยถือตัวจริงไม่ได้ว่าอะไรคือจิตนี่ต้องเรียนด้วยหลักยิตาภาวนาเพืจะทราบย้อนเข้ามาย้อนเข้ามาย้อนเข้ามาจนถึงตัวจริงคือตัวจิตเรียนจิตจบแล้วมันก็หายสงสัยเรื่องทั้งโลกทั้งหมดหายสงสัยหมด หายสงสัแล้วทุกขมันก็ไม่มีจะมีมาจักไหนนักรบรบกับวิเลตนี่นะเป็นนักรบสู้วิเลตที่เป็นตัวภัยของเราแต่ตัวภัยปราบตามตัวภัยให้หมดไปแล้วเราก็สิ้นภัยหมดภัยไม่มีอะไรเป็นภัยอถึงแดนอันเกษมห ท่านว่าถึงแดนกเกียงคือแก้สิ่งที่เป็นพาวแล้วมันก็หมดเรื่องมันเท่านั้นนะท่านก็ยกขึ้นเป็นจุมพุตว่าถึงแดนกรเสียงเหมือนว่าก้าวไปถึงแดนนู้นแดนนี้แดนไหนก็คือจิต ด, ดวงนี้เรื่องสิ่งที่เป็นทักษิจะตนออกหมดโดยสิ้นเชิงเท่านั้นก็เป็นแดนอันเกียงขึ้นมาในตัวเองอันนี้คืดแบบังกระลึก